ที 4 นะวนะประเวสนกรรเนี่ยนะก็คือการว่าด้วยการไปป่าเนี่ยนะก็คือว่า ก็เดินก็พ่อก็อุ้มลูกชายแม่ ถ้ามนุษย์บางพวกเดินมาตาม ละเฮเลล่อนไปตาม 60 โยดอ่ะ 1,000 กิโลอ่ะเนี่ยนะแล้วก็แถวๆ อาจจะๆรังสิตน่ะยังไม่ได้ไปๆเนี่ยลานนาเนี่ยนะ ในฝ่ายๆ2 ข้างทางก็ร้องไห้เด็กนี่นะเคยกินเคยอะไรใช่มั้ยพอเห็นผลไม้ก็ร้องไห้ละด้วยบารมีอนุภาพของพระโพธิสัตว์ต้นไม้ที่ทรงผลก็โน้มมา แต่นั้นพระเวสสันดรก็ทรงเลือกเก็บพลว่าโอ้โหนี่ผลผลในป่าใหญ่ก็ทรงกันแสงร้องไห้เพราะเหตุ พระนางมสรีเทวีเนี่ยนะผู้งามทั่วองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเหตุอัศจรรย์อันนี้ไม่เคยมีก็ทําให้ขนพองสะยองเกล้ายังสาธุการให้ ตั้งแต่กรุงเชตุดรราชธานีถึงภูเขาสุวรรณคิรีตาเดินทางนี้ 5 โยชน์ตั้งแต่ภูเขาสุวรรณคิรีตาละเนี่ยนะถึงแม่น้ํา 5 โยชน์ตั้งแต่ เวธนาลิทันตะเนี่ยถึงมาตุลนครก็ 10 โยชน์รวมตั้งถึงแคว้นเจตรัฐเนี่ยหรือ 30 โยชน์ 30 โยชน์กี่ก็ 480 ก็ 480 กิโลเมตรเนี่ยได้เดินเช้าถึง 4, 4 องค์ก็เลยเดิน เพราะฉะนั้นก็... ฉะนั้นก็กรุงเทพฯเกือบเชียงใหม่เลยก็ 480 กม. เนี่ยมาถึงโอ้โหมันจะไวขนาดนั้น เพราะฉะนั้นเราอยากจะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเทวดาทั้งหลายย่อนมรรคาให้ด้วยอนุเคราะห์แก่เพ 2 ราชกุมารกุมารีกษัตริย์ทั้ง 4 ว่าสมัยนี้เดินจะเป็นไป เที่ยงอีกประเทศหนึ่งคือนักประชมอ่ะนะแล้วก็ กษัตริย์ 4 พระองค์นี้เสด็จไปสิ้นทางไกลถึงเจตรับซึ่งเป็นชนบทมั่งคั่งมีความ 60,000 องค์พระมหาศัตริย์นี้ ถวายอยู่ด้วยงานนวดพระบาทเนี่ยนะก็เลยคิดว่าเราจักยังประชาชนให้รู้ความที่พระเวสสันดรเนี่ย สตรีชาวเจตรัตน์เห็นพระนางมัสสี มหาชนเห็นพระนางมัสสีพระเวสสันดรและ 2 พระองค์เสด็จมาด้วยความเป็นผู้น่าอนาถคืออนาถก็อนาถทั้งหลายพญาเจตราชทั้ง 60,000 เห็นพระ พระองค์นี้ทรงพระสําราญไม่มีพระโรคาพาธแลหรือพระราชบิดาของพระองค์หาพระโรคาพาธมิได้แลหรือชาว อปฏิสันถารทักทายปราศัยว่าไปยังไงมายังไงมาได้เพราะอะไรทั้งนั้นพระ แต่ hai นี้ให้ช้างซึ่งมีงาเนี่ยดุจงอนไถเป็นราชพาหนะรู้ชัยยภูมิแห่งการยุทธทุกอย่างขาวทั่วสารพางกายเป็นช้างสูงสุดคลุมด้วยผ้ากำพลเหลือง เป็นราชยานอันเปเป 8 คนเพราะชาว CP พากันขัดเครื่องเราและพระบิดาก็กริ้วขับไล่ ข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาดีแล้วเนี่ยนะพระองค์นี้เสด็จมาแต่ไกลก็เหมือนแห่งข้าวศาลีอันบริสุทธิ์ทั้งผักเห่าบัว สิ่งใดมีอยู่ในเมืองนี้ขอให้รับสั่งเถอะต้องการอะไรก็จงบอกเนี่ยนะแล้วก็จัดอาหาร จริงๆแล้วหน้าที่ตรงนั้นท่านทั้งหลายก็รู้ดีอยู่แล้วว่ามันอยู่ที่ เพราะฉะนั้นพญาเจตราชทั้งหลายจะเป็นผู้อิ่มใจได้ที่เพิ่งแล้วรักษา และเพื่อให้พระองค์ทรงทราบว่าเราไม่มีความ พระยาเจตราชก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ ชาว ฟังครองราชสมบัติแน่ เพราะฉะนั้นความไม่ปรองดองความไม่สมานสามัคคีเนี่ยก็จะมีแก่ท่านเพราะเราเป็นตัวการอันหนึ่งความบาดมาง เพิ่งฆ่าฟันกันเองเพราะเหตุแห่งเราผู้เดียวสิ่งใดอันที่อยู่ของพวกเราที่ แม้พวกพญาเจตราช พญาเจตราชเหล่านั้นก็ขึ้นแต่เช้าเสวยโภชนาหารมีรถเลิศต่างๆพญาเจตราช 15 โยชน์นะ 15 โยชน์นะ 15 โยชน์คูณ 16 กิโลเมตรเข้า แล้วก็หยุด 15 โยชน์ว่าเนี่ยก็ 60 โยชน์ก็ 900 กว่า 960 กิโลเมตรเพราะฉะนั้นอันก็ 30 โยชน์ พระยาเจตนรัตน์ก็ชวนส่งอีก 15 โยชน์เนี่ยได้ 45 โยชน์และเหลืออีก 15 โยชน์จะถึงก็พอแปะแต่เป็นป่าพอเลยเพราะฉะนั้นจะเดินลึกเข้าในป่าอีก 15 โยชน์เนี่ยว่าเชิญเสด็จเถิดข้าพระองค์ทั้ง เสลพดเนี่ยเสละแปลเนี่ยนะบ่พดก็คือภูซึ่งเป็นที่สงบของปวงราษฤาษีมีการบูชาเพลิงเนี่ยจะไป คือต้นไม้ใบย่าที่มันเกิดนักบางใบก็หอมกิ่งบางกิ่งก็หอม ตรงต่อที่อุดรเสด็จๆมีเงาเย็นน่ารื่นรมย์โดยมัคคานั้นนี่นะทางนั้นน่ะแล้วก็จักทอดพระ คือปลาเยอะและมีธารเดน้ํามากเนี่ยนะจงทรงเสวยที่แม่น้ํานั้นให้พระโอรสและธิดา เกลือนกร่นไปด้วยหมู่นกต่างๆแล้วไปด้วยศิลาเกลือนกร่นไปด้วย แล้วเสด็จย่างลงฉะนั้นฝูงนกในหมู่ไม้ซึ่งมีดอกบานแล้ว แต่ว่าเป็นแดนเกิดแห่งแม่น้ําทั้งหลายจะได้ทอดพระเนตรเห็น พระองค์เนี่ยจงสร้างบรรณศาลาด้านทิศอีสานแห่งสระโบคคณีนั้นน่ะนะ แต่ว่าบังถ้าเป็นป่าๆน้ํามามันก็ลูกๆใช่มั้ยมาน้องๆแอปเปิ้ลนั่นแหละเห็นนะบังแหนงไอ้ลูกจะโตขนาดนั้นๆคนหนึ่งก็ก็เป็นจริงเค้าที่เขายอดเขาแห่งหนึ่งกันนะมีมาเดื่อลูกเค้ากําปั้นบทว่าอุณฉาจริยายะว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติ ปรารภความเพียร 15 โยธ่แด่พระเวสสันดรอย่างนี้แล้ว ก็อดีตชาติของพระฉันนะนั่นเองเจ้าจงกําหนดตรวจตราคน ฝ่ายพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชธิดาเทวีเนี่ยนะก็ไปถึงเขาคันธมาสยับยั้งอยู่ณที่นั้นตลอดวันแต่นั่นบ่ายพระพักไปทิศอุดรเนี่ยนะลุถึงเชิงเขาวิปุละบรรพตประทับนั่งที่เกตุมดีนาทีเสวยเนื้อมีรสอร่อยซึ่งนายพรานป่าผู้หนึ่งถวายพระราชทานเข็มทองนั้นแก่นายพรานนั้นเนี่ยนะ แล้วก็ทรงสนามที่แม่น้ํานั้นบรรเทาความกังวลกวายเสด็จขึ้นจากแม่น้ํา ไพรเอ่อชัชไพรโดยทางเดินได้คนเดียวอ่าล่วงที่นั้น พระมหาศาสตรเสด็จเข้าสู่หิมวันตประเทศพระองค์นิควรได้เอ่อณเว้งนะสั่งนะพระ 2 โหฟังดูนะบรรณศาลานี่งามมากมั้ยก็ทําด้วยใบตองตึงเรานี่แหละมันจะเป็นอะไรกันบรรณแปลว่าใบไม้อ่ะเนี่ยนะใช้ตองตึงใช้หญ้าคามมุงแฝกนี่แหละแต่วิจิตอะไรที่ไหนหรอกนี่เรียกปรรณศาลาเนี่ย oh, <c oughs> เสร็จแล้วก็เดระมิดที่ๆและๆแล้วจารึกอักษรไว้ว่าผู้ใดผู้ แล้วก็ไล่พวกหมู่เนื้อหมูนกที่ส่งเสียงน่ากลัวเนี่ยก็วางเทวดาดูแลป่าไว้เบ็ดเสร็จก็ไป ความที่ท้าวสักกะประทานให้ก็เข้าพระทัยว่าท้าวสักกะทอดพระเนตรเห็นเราแล้วก็เลย ออกจากบรรณสาลายังสิริแห่งบรรพชิตให้ตั้งขึ้นพร้อมเป่งอุทานว่าโอ้เป็นสุขเป็นสุขอย่าง ฝ่ายเทวีเมื่อเห็นก็จําได้ก็มอบเนี่ยนะร้องไห้ไปก็เค้าก็มีอะไรก็ ก็มีอะไรเวทนาก็โทมนัสโสมนัสโทมนัสโสมนัสสลับคล้าๆกันไปดีใจเสียใจดีใจเสียใจก็มีอยู่ ดาบทกุมารดาบทศรีนีกุมารีเนี่ยนะก็เป็นฤาษีเด็กนะนะฤาษี จงเสด็จจูนะบรรณศาลากับพระ ก็ไปแสวงหาพลมากล้ารากไม้มาบำรุงประนิบัติพระราชสามีและพระโอรสธิดาฝ่ายพระเวสสันดรบรมโพธิสัตว์ก็ขอพรกับว่าแห่พระนางมัทรีผู้เจริญจำเดิมแต่นี้เราทั้งสองชื่อว่าเป็นบรรพชิตแล้วขึ้นชื่อ แม้ 3 โยชน์ 3 โยชน์ก็ 48 กิโลเมตรเนี่ย 48 กิโลเมตรเนี่ยนะเอ่อได้เฉพาะซึ่ง อันที่จริงแล้วที่ใดก็ตามถ้าดํารงอยู่ด้วย แล้วก็ถวายไม้สีฟันเนี่ยนะยาวกว่านี้นิดนึงก็อันเท่าเท่านี้แหละเท่าเท่าดินสอนี่แหละ แล้วก็ขอเสด็จเข้าไปสู่ป่าแสวงหามูลแล 4 กษัตริย์ 4 พระองค์ก็นั่งเสวยผลาผลแทบทวาร แต่ว่าถือพรหมจรรย์อ่ะนะ 5 ดีอ่ะแต่ เนี่ยนะก็คือลูกทั้งสองก็ 7 เดือนโดยทํานองนี้แลด้วยประการชนีเนี่ยนะ